การงานจริงจังปณิสัยของท่านอีกอันหนึ่งคือเวลาทำการงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นเช่นในตอนเช้าเวลาจะต้อนควายไปทำนา ท่านจะเที่ยวเก็บพวกไม้ไผ่หรือไม้กลาที่ลนอยู่ตามทางโยนขว้างออกข้างทางมิฉนั้นเวลาฝูงควายเดินผ่านมันอาจเดินเตะมีเสียงดังได้ท่านเกรงว่าชาวบ้านจะได้ยินจึงโยนออกข้างทางหมดวันใดที่ออกไปนาท่านชอบไปตั้งแต่เช้ามืด ส่วนแม่ก็จะทำอาหารจนเสร็จแล้วห่อไว้ทันเวลาที่ลูกไปพอดีการไถนาของท่านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งถึงนิสัยที่ทอระหดอดทนคือท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเช่นควายสี่ตัวอย่างนี้จะสลับให้มันทำงาน เมื่อตัวหนึ่งทําจนเหนื่อยแล้วก็ปลดไถออกให้มันไปอาบน้ำกินหญ้าเป็นการพักแล้วก็เอาตัวที่สองที่สามมาสลับแทนเช่นนั้นตลอดจนเสร็จถ้าไม่มืดก็ไม่เลิกหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิก คราวหนึ่งพ่อแม่และน้องเขยซึ่งปกติเป็นกำลังสำคัญในการทำนาบังเอิญมาป่วยขึ้นพร้อมๆกันทำให้ท่านต้องเป็นหัวหน้าพาน้องๆไปแทนน้องสาวคนร อ, รองของท่านคนหนึ่งรู้ดีถึงสายจริงจังโดยเฉพาะในเวลาทำงานจึงนึกฝัดหวาดในใจว่า ตายกูคราวนี้หมดทั้งวันมีแต่ทำงานกอตายกันเท่านั้นแล้วทีนี้และก็เป็นความจริงอย่างที่น้องสาวคิดไว้คือท่านเองไม่พาเลิกสักทีทำงานอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปชนิดหากไม่คํำไม่ยอมเลิกกราน้องสาวของท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ว่า แม่น้องพยายามบอกว่าอยากกินข้าวแล้วบัวท่านก็ทำงานไปเฉยไม่พากินข้าวไม่พาหยุดพักสักทีพาขุดพาทมอยู่หมดมือหมดวันตอนนั้นเป็นช่วงบุกร้างทางพงทำนาใหม่ท่านขุดเองเลยไม่ใช้ควายคราดเพราะมันเพิ่งตัดไม้ลงใหม่ๆ รากที่อยู่ในดินยังไม่เน่าไถยังไม่ทันได้ท่านก็ทำงานไม่สนใจน้องเลยเดี๋ยวอ้อมทางนั้นแล้วอ้อมทางนี้แล้วอ้อมไปทางนั้นอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นสักทีจนน้องว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วคิดถึงแม่เลยมีแต่จะร้องไห้นั่นแหละปรากฏว่าในปีนั้นได้ข้าวสิบเจ็ดเล่มเกวียน จัดว่าได้เยอะทีเดียวอีกตอนหนึ่งคือในระยะที่ท่านพาน้องๆมานอนเฝ้านาน้องสาวเล่าเหตุการณ์ดังนี้สมัยแต่ก่อน มีแต่เป็นดงเป็นป่าเสือช้างก็เยอะเสียงช้างหักกิ่งไม้ปกปกเปกเปกอยู่ในป่าบางชนี้ก็ร้องฟังดูโหยหัวหน่ากลัวเดี๋ยวร้องขึ้นทางนั้นทางนี้รู้สึกวังเวงใจทำให้คิดถึงแต่พ่อแต่แม่นาที่เฝ้านั้นอยู่ติดกับป่ากับดง ห่างจากตัวบ้านประมาณสี่ห้ากิโลเมตรในช่วงที่ต้นข้าวเริ่มโตขึ้นชาวบ้านก็มานอนเฝ้านากันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วช้างจะพากันมาถอนต้นข้าวกินหมดช้างเวลากินต้นข้าวจะตางจากวัวควายตรงที่มันจะถอนทั้งต้นขึ้นมาแล้ว เอาฟาดกับขาของมันเพื่อสลัดดินออกแล้วจึงม้วนเข้าปากถ้าชาวบ้านไม่มาเฝ้ามันจะถอนกินจนหมดเกลี้ยงนาเลยทีเดียวแต่วัวควายเวลากินข้าวมันจะกัดกินเฉพาะส่วนยอดไม่ถอนหมดทั้งต้นฉะนั้นเวลาเฝ้านาเขาจึงต้องเอาปืนไปด้วยเพื่อใช้ยิงไล่ช้าง บางคนก็ยิงขึ้นฟ้าให้มีเสียงดังมันตกใจเข้าไป